เทศจบแบบไม่มีปีมีขุยเลยเหมือนกันเถอะเพราะพี่น้อง<น>ประชาชนาลุมกันไปดูเก้าอี้หักเหมืนันนี่แหละเมื่อวานเนี่ยจากนั้นก็จัดทาญาิโยมเออเอาใครจะมาถวายการเทศเขาถวายการเทศมาเมื่อนหนึ่งเมื่อวานเนี่ยพอเทศจบลงแล้ ว, ลวก็มีทายาิโยมจะถวายอีก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 กรินพระราชทานพระองค์พระองค์สมท่านเสด็จทอดกรถินวัดหลวงพ่อเนอ้อให้ลูกหลานไปร่วมร่วมรับเสด็จพร้อมๆกันเนอ้อลูกหลานคณะสัทธ า, ธาญาตโยมนะวันอาทิตย์ที่8พฤจจิกายนพุทธศักราช2558อาเป็นวันทอดกรถินที่วัดป่านาคำน้อยพระองค์เสด็จ มาถึงงาน1600นตัดถึงตอนเย็นแต่พวกเราก็าต้อนรับกับสู้กันตั้งแต่เช้านะั่นะทำบุญทำทานจากนั้นก็เตรียมพร้อมคงจะพี่น้องประชาชนศรัทธา ญ, ญาติโยมข้าราชการทุกหมู่เหล่าก็คงจะเข้าม า, าร่วมกันรับเสด็จมั่งเพราะนั้นขอบอกแจ้งข่าวผู้ที่ พอไปได้ก็บอกต่อต่อกันเนะพี่น้องลกูกหลานรับสเสด็จวันที่8พฤศจิกายน58กทินใหลวงพ่อก็ประกาศเมื่อวานนี้แต่เมื่อวานนหลวงพ่อก็ได้แสดงธรรมเรียงลําดับนะพอเรียงลําดับเรื่องศีลสมาธิปัญญาแต่เมื่อวานหลวงพ่อพูดถึงเรื่องปัญญาวิปัสสนา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 ไม่ทำความสะอาดก็สกปรกท่านตาฟันเหมือนกัน่าฟันไม่แขะไม่ล้างไม่ทำแปลงฟันไม่สะอาดก็ไม่น่าดูตะโจหนังร่างกายของเรามีหนังหุ้มโดยรอบ้าไปชำระล้างหนังไปอาบน้ำชำระกายมันก็มีกลิ่นขึ้นมาได้เพราะนั้นร่างกายสังขารท่าไปปล่อยตามสมภาพของมัน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 หรือพิจารณาเป็นธาตุสีธาตุสี่ร่างกายของเรามีธาตุสีคือกระดูกคือเป็นธาตุดินธาตุน้าก็คือเลือดธาตุเลือดและปัสสาวะอันนี้อยู่ในร่างกายของเราเป็นธาตุน้ำน้ำตูดตาเป็นน้ำตาอันนี้แหละเป็นธาตุน้ำธาตุลมก็คือลมหายใจเข้าหายใจออกลมในท้อง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 แต่หลวงปู่มั่นท่านเป็นไงท่านมาหาภาวนาโอ้มันออกจนนอนไม่หลับก็ผมมันออกทั้งวันทั้งคืนเลยหลวงปู่มั่นเอ้ยมันออกเกินไปนะั่นนะ่ะ บ, บังคับให้เข้าสมาธิให้ได้นะ่ะนี่แหละมีครูบาอาจารย์เป็นอย่างนั้นนะคณะสัตธาธาาาาาาิโจมพระเนนลูกหลานพอมันคิดเตลิดเปิดเปิเปงจนเกินไปนะก็บังคับให้ให้เข้าในสมาธนะิพอบังคับเข้าสมาธิทีนี้ เออมันเข้าไม่ได้ทีนี้เออเพราะมันเคยออกไปแล้วทีนี้ อ, อหลวงปู่มันก็ต้องบังคับให้ได้ถ้าไม่คข้มบังคับไม่ได้เดี๋ยวเป็นบ้านนัะ่นแหละนะมันออกเตลิดเปิดเปิเปงฮนะเออหลวงตาก็บังคับให้อยู่ในสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าพดหายใจออกโธพดโธพุดโธเข้ามากรรมาฐานเดิมจิตนั้นจิตใจอยู่นิ่งทีนะีนะ้เออ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 ชาตินี้เป็นชาติจุดท้ายของเราเราไม่เกิดอีกแล้วเนี่ยนี่แหละพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติมานะคะนัทถาญาตโยมพระเนนลูกหลานทุกองเอมื่อทีแรกกเนี่ยล้มลุกโคุกขานเรื่องธรรมสมาธิเมื่อจิตใจพอเป็นผ่านสมาธิแล้ว<ม> <S <S ก็ออกทางวิปัสสนาในเมื่อวิปัสสนาแล้วกลับเข้ามาหาสมาธิอสลับกันต่างกลัมต่างวาระ